เรื่องที่8ไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดก็ได้แค่เชื่อว่าไม่เกิดไม่ได้รู้สักทีพูดคุยกับพระนวกะเมื่อวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2553ผมขอข้ามมาถามอีกถามนนะครับ พุทศาสนาสอเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารเราจะอธิบายขยายความทำความเข้าใจในเรื่องนี้กับคนที่มีแนวความคิดว่าตายแล้วศูนตายแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรต่อเราจะมีวิธีทําความเข้าใจ ท, ที่ถูกต้องกับเขาอย่างไรก็แล้วแต่โอกาส <S <S บางทีต้องใช้เวลา น, นานๆแต่บางทีท่านก็บอกว่าถ้าตอบแบบสั้นๆคือเอาแค่ว่าคุนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามก็ทําสิ่งที่มันจะดีที่สุด ทีนี้ดีที่สุดยังไงเพราะทั้งคุณเองก็ยังไม่รู้แน่ก็คุณก็ได้แต่เชื่อเชื่อว่าตายแล้วศูนย์นี่เป็นความเชื่อนะคุณยังไม่รู้ชัดจริงไหมเนีก็คุณยก็อยู่แค่เชื่อนั้นเพื่อความปลอดภัยก็เออมันมันสองทางอยู่เนี่ยเนเราก็ทําไอ้ที่มันแน่ใจที่สุดมันก็มีอยู่อันหนึ่งว่า ทำไอ้สิ่งที่ว่าตายไปแล้วมันจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามเนะนี่ยเนี่ยมันดีที่สุดอันไหนดีที่สุดก็คือว่าอันที่มันจะให้ไปเกิดดีที่มันดีเป็นบุญกุศลเนะี่ยถ้ามันไม่เกิดก็แล้วไปแต่ถ้ามันเกิดก็ได้ไปเกิดดีแต่ถ้าคุณทางทั้งที่ไม่เชื่ออย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ชัดอย่างเงี้ยแล้วกลับไปทาอันที่ไม่ดี นะถ้าเผื่อมันไม่เกิดคุณก็แล้วไปถ้าเกิดไปเกิดละคุณเสร็จแน่เลยใช่ไหม <Yeah. S 1> เออเนี่ยคุณต้องเลือกเอาแต่มันไม่ใช่แค่นั้นหรอกคนเนี่ยเพราะความที่ไม่รู้เนี่ยมันจะไปมีผลต่อชีวิตช่วงสุดท้ายเราเล่าขู่ให้ฟังได้เลยเนี่ยอย่างคุณเนี่ยนะพอใกล้จะตาย มีความเจ็บไข้ได้ป่วยรุนแรงเอาแล้วทีนี้กังวลแล้วทีนี้จิตใจไม่สบายเลยใช่ไหมเนี่ยก็ความกังวลต้องการสิ่งที่ดีอย่างน้อยความมั่นใจไม่มีเลยนี่คนที่ปฏิบัติไว้ดีมันมีความมั่นใจตัวเองอย่างที่พระท่านบอกทำเมทิโตปรโล ก, กังนาพายบอกว่าตั้งอยู่ในธรรมแล้วไม่ต้องกลัวปาระโลพวกนั้น ก็มันมีความมั่นใจและเนี่ยไม่ต้องไปห่วงเหมือนเดิมซ้าท่านให้ปฏิบัติคั้นนั้นนะท่านไม่ใช่ไม่ให้มามัวห่วงอยู่อ่าเราจะไปดีหรือเปล่าก็ทำได้มันดีแล้วหนึ่งเราทำความดีไว้สองจิตของเราพัฒนาดีไว้แล้วจิตของเราอยู่ในระดับที่ดีเงี้ยแล้วไม่ต้องไปห่วงแล้วการปฏิบัติของท่านให้ไม่ใช่มามัวห่วงกังวล คือให้ถึงขั้นที่ว่าไม่ต้องไปห่วงมั่นใจเลยเนี่นั้นเราทำสิ่งที่เราแน่ใจมั่นใจดีกว่าบอกคุณลองคิดดูฝากไปคิด <c oughs> <c oughs> นะหนึ่งก็อย่างที่ว่านีมันให้เอาสิ่งที่แน่นอนมั่นใจดีกว่าแล้วก็สองก็อย่านึกว่าคุณเนี่ยเข้มแข็งนะเวลาเจ็บป่วยถึงเวาลาสุดท้ายเนี่ยจิตตอนนั้นอ่อนแอ แล้วก็มีความภาวะผ่าวงมีอะไรแต่ละเยอะทีนี้คนที่เขามีความมั่นใจนี่เขาสบายเลยวางจิตปลอดโปร่งโล่งเบาผ่องใสได้เลยใช่ไหมหมดเรื่องไปนี่นก็ได้เปรียบกับกนละเนีอันนี้หมายความว่าไม่ต้องไปวิเคราะห์กันละมีจริงไม่มีจริงเพราะมันอยู่ในขั้นเชือ่อนทีนี้อ้าวถ้ามีโอกาสใครมาอีกคันก็คือมาคุยกันในเรื่อง ความเป็นเหตุเป็นผลว่าเป็นยังไงอะไรต่างๆก็เรื่องของชาติหน้าชาติอะไรเนี่ยมันก็ยากพอพูดถึงสิ่งที่มองไม่เห็นบางทีก็เลยมีพวกหนึ่งที่ไปศึกษาได้วิธีไปหาตัวอย่างแล้วก็ไปรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคนที่ว่าระลึกชาติได้ใช่ไหม ทำก็เป็นหนังสือเป็นเล่มๆไปเลยเนะี่ยอย่างพกฝรั่งก็มีใช่ไหมทำการใหญ่อันนี้มันก็ได้แค่อย่างนั้นแค่เชื่อไม่เชื่อมันก็ไม่ถึงกระเด็ดขาดก็อันนี้มันก็กลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถึงกับให้เกิดความมั่นใจแท้ก็มาเป็นส่วนประกอบเสริมเท่านั้นเองที่ชีวิตเราก็มาดูถึงความเป็นจริงของชีวิต ก็มีวิธีศึกษาก็เป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าเออตายไปแล้วจะเป็นยังไงก็จิตของเราที่มันจะไปตายมันก็เป็นจิตที่เหมือนกับที่เป็นอยู่เนี่ยมันก็สืบต่อไปตลอดเวลานะจากความเป็นไปของจิตแต่ละขณะขณะขณะขณะเนี่ยรวมหมดมันก็เป็นชีวิตหนึ่งแล้วจะมันจะมีกี่ชีวิตนึงก็เป็นเขามันอย่างเงี้ย นี่คนเรามักจะพูดแบบข้ามไปเหมือนกับว่าจากชาตินี้ประชาตน่าจะเป็นอย่างไรที่จริงเหตุปัจจัยมันอยู่ในความเป็นจริงที่เป็นไปแต่ละขณะไอ้ผลรวมทั้งหมดก็มาจากส่วนย่อยแล้วก็ที่แน่แท้ก็ส่วนย่อยนี่แหละที่มันเป็นของจริงชัดๆเราจะเข้าใจชีวิตจิตใจที่แท้ทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจ ชีวิตจิตใจที่เป็นอยู่ปัจจุบันเมื่อกีก็ถามแบบคุยกันเดาๆว่าไปตามเรื่องของสันติฐานอะไรกันไปอย่างนั้นก็ถามว่าแล้วชีวิตคุณที่เป็นอยู่ขนาเนี้ยจิตใจของคุณที่เป็นอยู่ขณะเนี้ยคุณเข้าใจไหมถ้าคุณเข้าใจชัดแล้วคุณไม่ต้องไปห่วงรอกตอนตายแล้วเข้าใจไหมครับเนี่ยชีวิตจิตใจที่เป็นอยู่ขณะเนี้ยจิตใจของเราเนี่ยมันทํางานอย่างไรเอา้าถามแค่นี้ ตอบได้ไั้มจบแล้วแค่นี้ก็ตันเลยใช่ไหมแล้วไปถามกันทำไมแม่ชาตินั้นชาตินี้จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวนี้ยังไม่รู้เรื่อง เ, <c oughs> <c oughs> เนี่ยที่จริงมันก็ง่ายๆเนี่ยนะเพราะนั้นคุณคุณจะไปพูดเสียเวลาชีวิตคุณเดี๋ยวนี้คุณตอบยังไม่ได้เลยคุณศึกษาเลยเดี๋ยวนี้เอาชีวิตที่เป็นอยู่ขณะเนี่ยจิตใจที่เป็นอยู่ขะเนี่ย เอาให้มันกระจ่างแจ้งชัดเจนซะแล้วคุณจะโล่งหมดเลยเจริงไหมจริงจิตมันสืบต่ อ, อย่างไรมาทำงางขอางมันอย่างไรกุศลอกุศลมันเป็นเหตุปัจจัยกันอย่างไรเนี่ยอูยังตามมันไม่ทันเลยใช่ไหมเนี่ยพระน้าพระพุทธเจ้าหรือหลักพระศาสนาเนี่ยท่านจึงให้มาศึกษาปัจจุบันชีวิตที่เป็นอยู่เป็นไปขนาเนี่ยให้เรารู้ เข้าใจความจริงของมันเขาศึกษาจากไอ้สภาวะที่หยาบมีความถี่น้อยเนี่ยค่อยๆดูให้ชัดเข้าชัดเข้าละเอียดเข้าจรกระทั้งมองเห็นความเป็นไปที่ละเอียดแล้วมันจึงจะรู้เข้าใจมากขึ้นนี่เราไปมองแต่หยาบๆแบบนั้นเ้าก็คุยกันเป็นเหตุเป็นผลแบบมันไม่ชัดไม่จริง นั้นตกลงที่แท้ก็คือต้องเข้าใจจากปัจจุบันที่เป็นอยู่นะฮะยอมไหมก็ตั้งศึกษาแล้วถ้าก็ให้หลักพยายามให้ศึกษาเรื่องอะไรเนี่ยเราพยายามมาดูบางสํานักก็จะเน้นการดูจิตใช่ไหมดูจิตเป็นยังไงที่จริงมันก็อยู่ในสติปัฏฐานสี่แหละบางสํานักก็เน้นกายานุปัสสนา บางสำนักก็เน้นเวทนานุปัสสนาบางสำนักก็เน้นจิตตาบางท่านบางสำนักก็เน้นธรรมานุปัสสนาแต่นั้นเป็นการเน้นของวิธีฝึกแต่ในความเป็นจริงก็คือต้องครบสี่ก็คือความเป็นจริงขอาชีวิตชีวิตมันมีให้ดูโดยวิธีจัดแบบให้ศึกษาได้ง่ายท่านก็เลยจัดเป็นสี่ด้านแล้วความเป็นจริงมันก็ครบหมดเนี่ยไม่สามารถจะไปแยกมันมา ต่อเนื่องกันไปหมดแหละด้านกายด้านเวทนาด้านจิตด้านธรรมเนี่ยมันว่ากันเรียกว่านัวไปหมดแหละนีนี่คนที่ฝึกตอนแรกมันสู้ไม่ไหวมันไม่ทันก็เลยให้เน้นอันที่มันจะช่วยให้จับได้ง่ายได้สติได้จับได้ง่ายก่อนบางสำนักแต่โบราณถือกันมาก็คือว่าด้านกายได้เป็นรูปธรรมมันหยาบ มันจะสังเกตง่ายตามดูง่ายกว่าก็เลยเน้นเริ่มที่กายานุปัสสนานลงหายใจการเคลื่อนไหวอิริยาบถอะไรพวกนี้ น, ะนี่บางสำนักก็มาพิจารณาว่าที่จริงเวทนานี่แหละความเจ็บปวดแล้วมันขึ้นมาแล้วมันเด่นชัดนะก็เอาเวทนาเป็นตัวเน้นบางสำนักก็มองด้วยเหตุผลอื่นว่าดูจิตดีกว่า อะไรก็แล้วแต่เป็นเทคนิคของอาจารย์แต่ว่าเมื่อปฏิบัติไปจริงๆในที่สุดก็คือว่าทั้งหมดคือชีวิตของเราความเป็นจริงที่แท้มันก็ทั้งหมดนั่นแหละไม่ว่าด้านไหนจะปรากฏขึ้นมาเป็นไปทันหมดเมื่อ น, นั้นจริงจะเป็นของจริงเ mm hmm. มื่อไงก็อยู่คั้นฝึกด้านกายด้านเวทนาด้านจิตด้านธรรมมาสติมันทันหมด จรงจะเป็นของจริงอะไรก็พอสติมันทันเนี่ยนะหมือนก็มีความถี่สูงแล้วตอนนี้มันก็ปัญญามันก็ทํางานได้ดีขึ้นคือปัญญาเนี่ยมันจะทํางานได้ได้อาศัยสติมาจับให้สติกับปัญญานี่คู่กันที่จริงว่าสติมันทําให้องค์ทำอื่นทํางานได้ทําให้มีสติก็ทํางานไม่ได้สติคืออะไรสติก็คือเป็นตัว จับดึงตึงไว้มันก็มีจิตของเรากับสิ่งที่จิตของเราไปสัมผัสใช่ไหมจิตของเราไปรับรู้นี่สิ่งสิ่งที่จิตเรารับรู้เนี่ยเรียกว่าอารมณ์นี่ภาษาพระไม่ใช่อารมณ์ในภาษาไทยนะเนี่ยสิ่งที่ถูกรับรู้เนี่ยกับจิตเนี่ยทีนี้จิตมันคอจะลอยไปไม่อยู่ไม่จับ ไม่รับรู้ไอ้สิ่งที่มันควรจะรับรู้ใช่ไเนี่ยมันเสียของนี้และอะไรจะมาช่วยก็สติสติมันก็จะมาจับมาดึงมาตรึงอ่าสติพูดง่ายๆก็ดึงนั่นเองดึงจับไว้นะตรึงไว้นะดึงอะไรตรึงวดึงดึงจิตของเราให้อยู่กับไอ้สิ่งนั้นอยู่กับอารมณ์ นี่คืองานของสติสติก็เป็นตัวดึงเนี่ยท่าจึงเปรียบเหมือนเชือกนะฮะเชือกที่ผูกสัตว์ไว้กันหลักหลักก็คืออารมณ์สัตว์ที่พยศเช่นวัวพยศวัวป่าหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นก็เหมือนจิตเราจิตมันก็จะไปโน่นไปนี่ไอ้หลักก็คือสิ่งที่เราต้องการให้จิตมันรับรู้เอาให้มันอยู่กับสิ่งที่ต้องการ มันจะไปเรื่อยก็เอาเชือกมาผูกมันไวใช่ขนาดนี้มันยังคอยจะหนีเลยเนี่ยแต่ว่ามันโดนกระตุกอยู่เรื่อยมันก็เลยไปไม่ได้จริงแล้วมันก็ต้องคอยนึกถึงอยู่เรื่อยสติก็ทำนาทีเนี่ยจับดึงตรึงไว้ดึงไว้ดึงไว้ ไ, วไม่ให้มันหลุดกันไปทีนี้เรามีไอ้ตัวหลักก็คืออารมณ์หรือสิ่งที่ต้องการสิ่งที่จิตควรจะรับรู้แล้วก็ พิจารณาให้ได้ว่าอะไรดีแล้วเราก็มีสติก็คือไปกํากับจิตดึงจิตไว้กับสิ่งนั้นนะให้มันอยู่กับสิ่งนั้นมีสติจับไว้ได้ดึงไว้ได้ไม่หลุดก็แสดงว่าได้ผลแหละทีนี้ว่าถ้าเราต้องการใช้ปัญญาพอสติมันจับสิ่งนั้นได้เราก็เห็นสิใช่ไหมเราก็พิจารณาได้ปัญญามันก็ตาง ถ้าสิ่งนั้นไม่ถูกจับไว้ต่อนหน้ามันก็ตามก็ไม่เห็นมันลอยไปแหละนี่พอจับดึงตรึงไว้แล้วก็มองเห็นก็คือการทํางานของปัญญาก็เป็นไปนได้ถ้าสติไม่ดึงไว้ไอสิ่งนั้นไม่อยู่ต่อนหน้าปัญญาก็มองไม่เห็นพิจารณาอะไรไม่ได้เนี่ยสติก็เลยมีความสําคัญอย่างเงี้ยหรืออย่างสมาธิก็เหมือนกันทําอื่นๆมันสติมันไม่อยู่แล้วมันก็ทํางานอะไรไม่ได้นะ ก็ล่องลอยไปหมดสติยังเป็นตัวสำคัญท่านจึงเน้นที่บอกว่าสติสัพพัะปัทิยาสติจำปราถนาในทุกกรณีขับรถขับรถสติก็ต้องอยู่กับสิ่งที่เกี่ยวข้องนั่นแหละใช่ไหมเมืงขับรถก็ใจลอยก็จบกันนันสติก็จึงเป็นเรื่องที่แม้แต่เดินก็ต้องมีสติสติสติสตนาทีก็ดึงที่ว่าดึงมันก็มีสองดึง คือดึงสิ่งที่ต้องการในปัจจุบันเนี่ยที่เป็นไปเป็นมาอยู่ไม่ให้มันหลุดลอยหายไปเสียเรากำลังเจริญวิปัสสนาเราก็เอาสติดึงอารมณ์นั้นไว้สิ่งที่เราต้องการให้มันอยู่กันดึงไว้ดึงไว้เนี่ยนี่เรียกว่า ดึงอยู่ต่อหน้าดึงไว้ดึงไว้ไม่ให้หลุดไปดึงไว้ไอ้นี่มันจะลอยหายไปดึงมันไว้ดึงไว้กล้อยู่กับจิตแลทีนี้ดึงมาสิ่งนั้นเป็นอดีตไปอยู่ในความจําของเราแล้วถ้าเราไม่ดึงขึ้นมามันก็ไม่ปรากฏไม่ปรากฏเกิดจิตปัญญาปัญญพิจารณาทํางานกับมันไม่ได้จะทํางานกับมันได้ก็ดึงมันขึ้นมาก็คือมีสติ ดึงสิ่งนั้นขึ้นมาเช่นเรื่องที่ผ่านไปแล้วธรรมะที่ได้เรียนไปแล้วเนะี่ยหรือได้ฟังอาจารย์บรรยายไปแล้วมีเรื่องนั้นที่ต้องมาคบคิดพิจารณามันไปอยู่ในความทรงจำแล้วดึงมันขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าดึงมาสติก็ดึงมาดึงมานี่ก็ระลึกนั่นเองระลึกก็คือคล้ายๆทวนความจำดึงขึ้นมาแล้วก็สิ่งที่ปัจจุบัน จะลอยหายก็ดึงไว้ก็ดึงมาก็ดึงไว้เนี่ยสติทหนาทีใช้ในสองอย่างถ้าคนสติดีอา้าวแล้วลึกเรื่องอดีตก็ระลึกได้ดีนก็เป็นปัจจัยที่จะช่วยให้ความจาดีได้ด้วยแล้วก็ดึงไว้ก็คือว่าจะช่วยให้การพิจารณาสิ่งต่างเนี่ยได้ผลดีชัดเจนถ้าสติมันไม่จับสิ่งนั้นไว้มันก็หลุดลอยไปหมด ก็เลยสตินี่เป็นตัวสําคัญอันนี้ก็พูดบ่อยๆให้ได้ฟังสติสมาธิสมาธิก็คือว่าจิตของเราเนี่ยอยู่กับสิ่งนั้นไม่ไปไหนละตอนแรกมันยังดึงกันอยู่ชักเยอะกันอยู่เอา้ามันจะหลุดก็ดึงมันไว้จะดุดกะดึงมันไว้นี่สติทีนี้พอมันอยู่เลยเนี่ยเรียกว่าสมาธิอยู่กับอารมณ์นั้นอยู่กับสิ่งนั้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการ ท่านก็เลยอุปมาอาจจะเคยได้ยินแล้วก็ได้คำผีท่านจะยกตัวอย่างเป็นอุปมาว่าเหมือนกับเราไปเอาวัวป่ามามันก็จะวิ่งเข้าป่าร่้าไปไม่อยู่นี่เราจะทำไงให้มันอยู่เราก็เอาเชือกมาที่ว่าเชือกมาผูกวัวนั้นก็คือจิตของเราไว้กับหลักก็คืออารมณ์ที่ต้องการสิ่งที่ต้องการนี้มันก็จะไปเรื่อย แต่มันไปไม่ได้ไอ้สติก็คือเชือกก็ดึงมันไวเยให้มันอยู่กันหลักก็เท่ากับเหมือนกับที่เราพูดเตือนจิตเตือนให้มันระลึกถึงสิ่งนั้นอยู่มันก็ไปไม่ได้พอหลุดไปหน่อยเอ้ากลับไปแล้วหลุดไปหน่อยก็มาทีนี้พอเราชักดึงมันไว่บ่อยๆบ่อยๆเนีมันชักชินพอชินแล้วต่อไปอยู่ได้พออยู่ได้เหมือนกับเชื่องแล้ว เหมือนกับวัวที่เชื่องในที่สุดนอนอยู่ที่โคนหลักนั่นเลยตอนเนี้ก็หมายความว่าวัวนั้นไม่หนีไปไหนละอยู่กับหลักตอนนี้ก็เรียวกว่าสมาธิไอ้ตัวเชือกที่ดึงก็ยังทําหน้าที่อยู่แต่ว่าไม่เด่นชัดหมายว่าคลออยู่ไม่ได้ทิ้งไปไหนแล้วถ้าเกิดจะไปเมื่อไหร่ก็เอาหนึ่งสติก็มาทํำนาที นีสมาธิก็ต้องอาศัยสติเป็นตัวนำเพราะนั้นสติจึงต้องการใช้ในการเจริญสมาธิที่เราเรียกว่าฝ่ายสมมะฝ่ายสมถะก็ต้องเริ่มด้วยสติคือเอาสติเนี่ยมาจับอารมณ์นั้นไว้ดึงไว้กับอารมณ์ที่ต้องการนี่สมถะนี่ฝ่ายวิปัสสนาก็เป็นเรื่องปัญญาก็เอาสติมาดึงสิ่งนั้นไว้เพื่อจะให้ปัญญาได้พิจารณาได้เพราะนั้นไม่ว่าสมมต หรือฝ่ายสมาธิหรือด้านวิปัสนาฝ่ายปัญญาต้องอาศัยสติเป็นตัวเริ่มให้เท่านั้นเลยสติยังเป็นตัวสําคัญว่าแล้วเวลาเราจะพิจารณาอะไรให้ชัดเจนตอนเนี้ยบางทีสติไม่พอแล้วต้องอาศัยสมาธิเลยเนยีคือหมายความว่าสติมันยังอยู่ขั้นดึงบางทีดึงแล้วก็หลุดดึงแล้วก็หลุดนะ บางทีก็หลวมไปพลัดไปหน่อยอะไรต่นอะไรเนี่ยทีนี้ของบางอย่างเนี่ยพอมีสติพอมันไม่หลุดไปมันก็ปัญญามันก็ทำงานพอได้แต่ในบางกรณีใช่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนี่ยถ้าจิตไม่อยู่กับสิ่งนั้นสนิทพอเนี่ยมันไม่สามารถจะทงานได้ผลไม่ชัดเจนปัญญามันต้องการความชัดเจนจะไม่ชัด ก็เลยยกตัวอย่างให้ฟังบ่อยๆนะเช่นอย่างไงเราจะใช้ปัญญาปัญญาที่บอกไว้แล้วเปรียบเหมือนลูกตามองเห็น น, นี้เราจะมองเห็นได้สิ่งที่เราจะมองต้องต้องอยู่ต่อหน้าเช่นป้ายหรือแผ่นผ้าอันหนึ่งอันนี้ถ้าหากว่าเราปล่อยแผ่นผ้ากับพับลงไปหรือมันก็หลุดลอยหายไปมันก็ไม่อยู่ต่อหน้า ที่เราจะเห็นก็เอาสติเนี่ยมาดึงมาจับมาตรึงไว้สติก็ดึงไว้ทีนี้ถ้าเป็นแผ่นผ้าหรือแผ่นป้ายใหญ่ๆลมพัดไปพัดมามันก็ส่ายใช่ไหมอา้าวสติก็มีแหละแต่มันไม่นิ่งอันนี้ถ้าภาพนั้นเป็นภาพเขียนหรือเป็นตัวหนังสือใหญ่ๆ พอมันอยู่มันไม่หายไปไหนแม้มันจะสั่นจะไหวมันเอียงไปมาบ้างก็อ่านออกมองเห็นใช่ไหมเ น, นี่ยสติพอแล้วแค่สติก็พอปัญญาทำงานได้แต่ทีนี้ถ้าเป็นภาพรายละเอียดตัวหนังสือเล็กนิดเดียวล่ะเนี่ยตอนนี้สติไม่พอแล้วไหวนิดเดียวก็อ่านไม่ออกแล้วตอนนี้จิตต้องนิ่งเลยจึงต้องการสมาธิ ให้จิตนิ่งสนิทเพรจิตนิ่งเนี่ยปัญญาก็คือเหมือนลูกตามองเห็นชัดเลยใช่ไหมอันนี้ก็คือการที่ว่าทําไมจึงต้องอาศัยสมาธิสติไม่พอดังนั้นก็เลยกลายเปว่าการเจริญปัญญาก็ต้องอาศัยสมาธิด้วยนีสติไม่พอก็มีประมาณใกล้อๆอย่างเนี้ยอันนี้ก็ามาเล่าให้ฟัง นันพุทธิปฏิบัติเนี่ยถ้ามุ่งไปเรื่องของสมถะก็มุ่งที่สมาธิแค่จิตมันอยู่นิ่งและอยู่นิ่งแล้วตัวเองไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ใช้ลูกตาดูก็ได้หลับตาเลยใช่ไหมเพียงแต่ว่าให้มันนิ่งสงบพอมันนิ่งสงบแล้วก็ทีนี้มันก็ไม่ทุรนทุรายไม่กระวนกระวายก็เลยสบายเอาแค่นี้นี่เรียกว่าพวกสมถะหรือจิตมันนิ่งแล้วมันมีกําลัง นะมันแนวจิตนิ่งแนวไม่ใช่นิ่งอย่างเดียวแนวเหมือนอย่างมันไม่ใช่เฉพาะนิ่งนะเช่นอย่างที่ท่านเปรียบเทียบนเนหะมือนน้ำเราเอานา้ำถังหนึ่งขึ้นไปบนเนินเขาแล้วเราสาดโครมไม่มีจุดหมายนา้ำก็จะกระจายไปหายหมดนี้ถ้าหากว่าเราขุดทอ่อธรรมราง หรือมีท่อเทน้ําลงในรางในท่อนะน้าก็ไหลไปทางเดียวก็มีกําลังใช่ไหมก็เหมือนกับสมาธิสมาธิเนี่ยจะทําให้มีกําลังเพราะมันวิ่งแนวไปทางเดียวในั้นลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยจึงมีการเปรียบเทียบสาประการหนึ่งก็คือว่ามีกําลัง เหมือนกับน้ำที่ว่าไหลเป็นทางเดียวพุ่งไปมีแรงมากน้ำน้อยก็แรงแต่ว่าถ้าไม่มีสมาธิน้ำมากสูรเปล่าก็จะกระจายหมดก็ทำให้มีพลังสองก็ทำให้ใสทำให้เอื้อตอปัญญาเนีพอมันนิ่ง เหมือนอย่างน้าที่เราเอามาไปตักมาเนี่ยจากที่ที่มันโดนลมพัดกระชอกไปกระชอกมาหรือว่าที่นั้นโครงเคร่งตั้งไม่มั่นเนี่ยพวกโคลนพวกดินพวกอะไรฝุ่นละอองเนี่ยนั่นมันก็วุ่ฟุ้งไปมานีน้ำมันก็ขุ่นมองอะไรในนั้ น, นก็ไม่เห็นนี่พอจิตมันสงบ ก็เป็นสมาธิก็เหมือนกันน้ำเนี่ยมาตั้งอยู่บนที่มั่นคงนิ่งน้ํามันก็จะตกตะกอนหมดพราตกตะกอนมันใสมีอะไรนี่ยนั่นก็เห็นหมดและจิตที่มันไม่มีสมาธินี่ก็เหมือนกับว่าเรามีอารมณ์ต่างๆเข้ามาตลอดเวลาใช่ไหมสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่นึกคิดเลยเนี่ยก็คือไอเหมือนกับชิ้นของสิ่งทั้งหๆเหมือนกับไอเศษสิ่งต่างๆนะ่ยอยู่ในน้ํา ในภาชนะก็คือจิตของเราเนี่ยใช่ิตนั้นมาทีชิ้นนี้มาทีวิ่งไปโน่นไอชิน้นนี้วิ่งมานี่จะดูอะไรในนั้นเน่เดี๋ยวไอที่นี่มาแวบมึงเห็นแวบเดียวไอนี่มาบังซะและ้วแล้วยิ่งชิ้นใหญ่บางทีมาบังซะไม่เห็นเลยอยู่เนี่ยไม่มีสมาธิมีแต่ไอพวกอารมณ์ต่างๆว่ากันโนเนียพัดไปพัดมาวุ่นไปหมดมองอะไรก็ไม่เห็นชัด นี่พอจิตสมาธินี่ยู่ก็อารมณ์เดียวเลยไอ้เจ้าที่วิ่งเวรงไปมาพล่านนั่นหมดตกตะกอนเลยมันไม่มีชิดไหนจะมาบังแล้วนะจะมองอะไรตอนนี้ก็เห็นชัดไปเลยนี่ก็คือจิตเป็นสมาธิก็เหมือนกับน้าใสใช่ไหมจิตของเราหลายคนเนี่ยจิตมันไม่มีสมาธิพอนึกเรื่องนี้เดี๋ยวเรื่องนุ่นมาใช่ไ เนี่ยมันก็เหมือนกับไอเสดอะไ ร, ะไรที่วิ่งกันว่อนหมดในผาชนะน้าเละแล้วมันจะไปมองอะไรเห็นชัดเลยก็แวบบแวบบแบบแบบอยู่เนี่ยนะพอเป็นสมาธิทีนี้สบายแล้วดูอันเดียวเลยต้องการดูอะไรก็ดูอันนั้นแล้วดูหรือไม่ดูอันเดียวละดูทีละอันใช่ไดูทีละอันดูทีละอันมันก็ชัดหมดอนะอย่างเงี้ยสมาธิก็เป็นประโยชน์เอื้อต่อปัญญานะี เป็นภาวะที่คล้ายๆน้ําใสนี่สมาธิก็อื้อต่ปัญญาแล้วก็สมาธิก็อีกอันก็คือสงบสงบก็มันไม่มีอะไรวุ่นวายเนี่ยนะจิตมันก็ไม่เที่ยวพล่านไปมันก็อยู่นิ่งไม่มีอะไรกวนไม่มีอะไรระขายไม่มีอะไรรบกวนมันก็สบายสงบสงบก็สุข เลยคนที่มีสมาธิก็ภาวะหนึ่งก็คือสงบมีความสุขสามอันนี้ต้องมาใช้ให้ได้ช่วยหนุนกันอย่าไปแช่อันเดียวนีความสงบของจิตก็มาเอือ้อต่อการที่จิตมันจะได้ไม่วุ่นวายไม่พรุ่งพล่านมันก็พร้อมที่จะทางานใช่ถ้าจิตมันพุ่งพลานกวนกวายมันก็ทางานไม่ได้ดีนีสจิตมันสงบสบาย แล้วก็อ้ามันมีพลังเออก็ยิ่งทำได้ผลแล้วก็มันใสเอื้อต่อการใช้ปัญญาตอนนี้สามอันเนี่ยใชใ้ครบมันก็จะทำงานได้ผลดีแต่นี้ถ้าไปติดกับอันใดอันหนึ่งนะฮะเขวได้เขวในทางพุทธศาสนาก็ท่านเน้นปัญญาให้อสองอันแรกมเสริมมาเสริมเองถ้าเราต้องการใช้ปัญญาทีนี้บางคนไม่ไปใช้ประโยชน์ที่มันควรจะได้ ให้พัฒนาชีวิตพอได้สมาธิสงบจิตสบายมีความสุขนอนก็ขี้เกียจเพราะฉะนั้น จ, จึงบอกว่าสมาธิเป็นพวกเดียวกับความขี้เกียจไงวันนั้นพูดแล้วท่า น, นเตือนได้ตลอดอะสมาธิเนี่ยเป็นพวกเดียวกับความทานมันเอื้อเนี่ยใช่ไหมพอสบายสงบดีแล้ว ก็เป็นสบายแบบไทยแล้วใช่สบายแบบไทยนอนดีกว่าไม่เอาอะไรแล้วเนี่ยก็เลยตกอยู่ในความประมาทเพราะนั้นสมาธิฉันจึงต้องให้ระวังจะทำให้เกียรติคล้านทำให้อ่อนแอทำให้ประมาทได้เอาไาใช้ให้ประโยชน์ให้ถูกก็ไปใช้ว่าเป็นพลังที่นี้บางพวกเป็นเน้นพลังจิตก็ออกไปริษปฏิหาร โ, โ, โน่นเนะ ไปกันใหญ่อีกเนกะ็ไปเป็นลือสีดาบทเลไไปนั่นนะก็ไปเล่นเรื่งลิตรเรืองปาฏิหาริย์กันไปทางพุทธศาสนาก็ไม่สนับสนุนว่าเออให้เป็นผลพลอยได้และก็พอได้แต่ว่าให้พัฒนาชีวิตเนี่ยมันอยู่ที่ให้มันได้ผลทางปัญญาเนยะทีนี้เรามีอะไรจะใช้ปัญญามันเป็นโอกาสและสมาธิมาก็ใช้ซะเนยะ จะดูอะไรต่อะไรศึกษาเข้าใจแม้แต่ชีวิตของตัวเองจิตใจของตัวเองตอนนี้ก็จะดูได้จะชัดเจนขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ก็โยงเข้ามากับเรื่องที่ว่าจะเข้าใจชีวิตอย่างไรก็ต้องเข้าใจสิ่งที่เป็นอยู่เป็นไปในปัจจุบันนะก็อาศัยเนี่ยสมาธิแล้วก็มาสูงขึ้นไปพัฒนาไม่อยู่แค่สมถะไม่อยู่แค่สมาธิก็ไปสู่วิปัสสนาก็สู่การใช้ปัญญา อ้าวก็เลยพูดเรื่อยไปมีอะไรไหมครับก็คุยกันไปถามกันไป